ความหลงของตนไปหลงอะไรก็เพราะหลงไปยึดถือว่าตาเป็นตนตนเป็นตาหูเป็นตนตนเป็นหูอย่างจริงจังจนไม่รู้จักวางจนไม่รู้จักปล่อยเพราะยังหลงสมมุติเพราะยังไม่รู้เท่าสมมุติ สมมติว่าตาเราตาเขาตาท่านผู้อื่นหูเราหูเขาหูท่านผู้อื่นพอสมมุติกันอย่างนั้นเมื่อสมมุติกันอย่างนั้นสัตว์ที่มีเกล็ก็ติดจนเคยชินทีนี้พิกกิดไม่ออกทีนี้พิกปัญญาไม่ทันพระหัสนุกๆจมพวัว ตาหูจมูกกลิ่นกายก็จัดเป็นรูปขันก็นายรูปก็ถูกนายเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์ทุเบีขาสัญญาณทั้งขันวิญญาณวิญญาณใช่แทนใจจะเรียกว่าใจก็ถูกจะเรียกว่าวิญญาณก็ถูกแต่ใ น, นอันนั้นตรรกะนักสูตรเรียกว่าวิญญาณแทนใจแต่ใน อทิตะปริยายสูตรเรียกใจโดยกรงกลงธรรมารมณ์ที่มาเกิดกับใจที่นี่ท่านผู้พ้นไปแล้วท่านรู้ตาตามเป็นจริงของตาท่านรู้หูตามเป็นจริงของหูท่านไม่คัดคาดในสมมุติ แต่ท่านไม่ดีใจเสียใจในเรื่องตาหูแล้วท่านไม่ได้ยืนยันว่าตาหูจมูกเลี้ยกายใจเป็นตนตนเป็นตาหูจมูกเลี้ยนกายใจและไม่ได้ยืนยันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานเป็นตนตนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ แ, และไม่ ย, ยืนยันว่าดินน้ำไฟลมเป็นตนตนเป็นดินน้ำไฟลม ไม่ยืนยันว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีต ации, ไม่ยืนยันว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตไม่ยืนยันว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันสติปัญญาของท่านทรงคืนรู้จักใช้รู้จักทรงคืนเรียกว่ารู้จักกินรู้จักให้พรรู้จักรักยะถารู้จักจับรู้จักวางรู้จักเขียนรู้จักครบรู้จักได้รู้จักเสีย ดูจักส ม, มุิดูจักวิ ม, มุดนี่เอาทิฐิมานะอุปทานขององค์ท่านเม่ได้เข้าไปยึดถือเอาสิ่งใดๆทั้งสิ้นผู้ลูกก็ปล่อยส่งคืนให้ผู้ลูกผู้เห็นก็ปล่อยส่งคืนให้ผู้เห็น ผู้กินก็ปล่อยสรงคืนให้ผู้กินผู้ดื่มก็ปล่อยให้สรงคืนให้ผู้ดื่มมอบให้เป็นเรื่องของสังขารหมดทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งอิริยาบถใดๆตลอดนึกคิดท่านไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อท่านไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว พิษก็ไม่มีทีนี้เหตุไหนเหตุฉนัพิษจึงมีเพราะเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วทีนี้สิ่งเหล่านั้นไม่สมประสงค์ก็กลายเป็นพิษทีนี้เมื่อสมประสงค์แล้วก็ติดอยู่ ติดอยู่ก็ติดไม่ได้อยู่นานเหมือนกันเพราะมีหน้าที่จะแปรปวนสิ่งเหล่านั้น เราจะมาท่องเที่ยวในวัตฏสงสารจะมาปั้นน้ามให้เป็นตัวอยู่จะมาถือเอาสิ่งของที่เกิดขึ้นแนปรปวนเป็นสมบัติของตนและหวังเป็นสุขด้วยประตูของความสุขจะมีมาจากที่ไหน ก็เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ชัดในขันธะสันดานโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันไม่ใช่ของใคร ทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นแน้วแปรปวนด้ดับไปอย่างพึงผไผยแม่เกงอำนาจวาสนาของใครเลยถึงแม้จะเป็นสิ่งของของพม ร, รมศาสด า, า, า, าก็าาตามเช่นบาทจีวอนประคตเอวซึ่งเป็นฝ่ายวัตถุก็เกิดขึ้นเน้อแปรปวนในดับไป สมบัติของพระ อ, องค์พระ อ, องค์มีฤทธิ์มีเดชเราจะมาให้แตกไม่ให้สลายละบาตรจีวรก็ดีตลอดถึงวัดวาอารามสังคานก็ไม่ไห้หน้ามีลักษณะเสมอกันหมดไม่ลำเอียง ล้วปฏิบัติเพื่อให้หนายโลกเพื่อให้หนายความหลงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะให้หลงปฏิบัติแก้ความหลงแก้ความเข้าใจผิดของตน โลกไม่มีประตูจะแก้สังขารก็ไม่มีไม่มีประตูจะแก้พบรมศาสด า, าท่านก็ไม่ได้แก้สังขารท่านแก้แต่มาให้ติดอยู่ในสังขารเท่านั้น ไม่ได้แก้สังขารองนี้จากตนแก้ตนนี้จากสังขารไม่ได้แก้สังขารให้เบื่อนายตนแก้ตนให้เบื่อนายสังขารมาให้ไม่ได้แก้สังขารให้ละอาตนแก้ตนให้ละอาสังขารไม่ได้แก้สังขารมาให้ยินดีในตน แก้ตนมาให้ยินดีในสังขารมาให้หลงมาให้เพลินในสังขารสอนให้ทำสมาธิให้ใจตั้งมั่นแต่ไม่ให้สอนไม่ให้ติดอยู่ในสมาธิ สอนให้มีปัญญาแต่ไม่ให้ติดอยู่ในปัญญาไม่ให้ยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิไม่ให้ยืนยันว่าปัญญาเป็นตนตนเป็นปัญญาปัญญาก็ส่งคืนให้ปัญญาสมาธิก็ส่งคืนให้สมาธิ ศีลก็ส่งคืนให้ศีลไม่สำคัญว่าตนเป็นศีลไม่สำคัญว่าศีลเป็นตนจะรู้วิเศษวิโสสักเพียงไหนก็ตามไม่สำคัญตนเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของในผูรู ธรรมชั่นสูงเมื่อคืนนี่ปรากฏเห็นหลวงปู่มั่นเราพิจารณาความเกิดดับพร้อมกับเจตสิกที่นึกคิดในมโนภาพ เกิสิคือความบริกรรมว่าทุกๆทุกๆทุกๆผู้ที่ว่าทุกๆนั่นก็คือตัวทุกนั่นเองเพราะมันเปลงอุทานออกเห็นทางความเกิดความดับในที่บริกรรมทุกๆอยู่ในฮะไทย นี่พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกก็เป็นแต่สักว่าทุกไม่ใช <buck> ่เราไม่ใช่ของเราอันนี้จังก็เป็นแต่สักว่าอันนี้จังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอนัตตก็เป็นแต่สักว่าอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกผู้รู้ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานนั่เป็นผู้รู้ชนิดหนึ่ง ผูู้ชนิดนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันผูู้ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามเดิมแคบลงไปปรากฏเห็นหลวงปู่มัน ภิกษุทั้งหลายมาเถิดเรากำลังประชวนแล้วท่านท่านลองเรียบเราจะเข้าสู่อนุ ป, ปาทิเศ ส, สนิพานในเร็วๆนี้พระอุจจาระของเราก็ออกแล้วที่นี่มีพระอยู่ด้วยกันสี่ห้าองค์ ก็เลยเข้าไปหาองค์ท่านแต่ไม่นานเท่าใดคิดก็เลยถอนออกมาฉนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเพ่งเกินไปมันก็กลายเป็นฌานไปทีนี้ฌานชนิดนี้อิงวิปัสสนา เป็นอุปจาระฌานและเป็นอุปจาระปัญญาอุปจารปัญญากับอุปจาระฌานมีความหมายอันเดียวกันอุปจารสมาธิก็มีความหมายอันเดียวกันสมาธิแปลว่าตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในปัญญาส่วนนั้นในความสำเนียกส่วนนั้น นัตตาทาเป็นธรรมอันลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนามากาศาสนาอื่นๆไม่สามารถถอนอุปทานได้มีพระพุทธศาสนาอย่างเดียว <c oughs> สามารถถอนอุปทานได้ ผู้ลูกกับภพบชาติต่างกันอย่างไรอีกผู้ลูกถ้ามีผู้ไปยึดถือเป็นเจ้าของผู้ลูกก็เป็นภพเป็นชาติเป็นอนันตระชาติเป็นอนันตระชาติอีกเป็นอนันตระปัจจัยอีกจึงเป็นของที่น่าควรคิด เป็นของที่น่าพิจารณาเป็นของที่ควรทำให้แก้ในคันธะชั้นดานเป็นของที่ควรเจริญให้เกิดให้มีเย่ามากผู้รู้มีทิฏฐิมานะหรือไม่ ถ้าสำคัญว่าตนลู้ทิฐิมานะมันก็ขึ้นอีกเหมือนกันมันก็แอบกินอยู่กับผู้ลู้เหตุฉะนั้นผู้ลูกของผู้ตุชนคนหนาจึงต่างกันกับผู้ลูกของพระหานผู้ลูกของพระหลา์มีผู้มาคัดค้านท่านก็ไม่โกรธมอบให้ประเรื่องของเขาเพราะผู้ลูกขององค์ท่านไม่ปลอม ผู้ลูกของผู้มีกิเลสราคาโทสะโมหะยังไม่หดแดหงิทีนี้เมื่อมีพวกมาคัดค้านก็ไม่เป็นที่สบายใจถ้ามันมีกิเลสอยู่จะว่ารู้ตามสัญญาหรือความเคยชินก็ถูกหรือจะว่ารู้ด้วยภาวนาก็ถูกแต่ยังไม่ทันทน้น ไม่ทันพน่นโดย ส, สิ้นเชิงจิตจะดวงเด่นสักเพียงไหนก็ตามพระบอลงมาศาสดาไม่ได้สอนให้ถือมันจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้ให้ส่งคืนจาโคปตินิสโคมุตติอนาราโยะไม่ให้อะไร ให้ส่งคืนสมมุติก็ส่งคืนให้สมมุติอดีตก็ส่งคืนให้อดีตอนาคตก็สอนให้ส่งคืนให้อนาคตปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันอย่าได้เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นเราจะทําได้หรือไม่ถ้าเราทําได้เราก็พ้น ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ยังไม่พ้นมันมีท่านั่นปัญหาของมันสติปัญญาของเราจะเร็วเท่าความหลงหรือไม่จะทันกับความหลงหรือไม่ นี่ความหลงของมันมาตีหน้าผากหลายแผลแล้วเราจึงรู้ตามหลังผู้ยังไม่พ้นต้องเป็นอย่างนั้นเรารู้ล้งางฉากถึงอย่างนั้นเราก็ถือว่าเราดีอยู่ดีกว่าไม่รู้อีกสี้น ชั้นสูงก็คือตัดสินลงในผู้รู้สมาธิชั้นสูงก็คือตั้งมั่นในผู้รู้ปัญญาชั้นสูงก็คือให้รอบรู้ผู้รู้ สอนให้เป็นโสดไม่ให้ไปยึดถือเอาในผู้รู้ว่าเป็นตนก็เท่ากับว่าน้ำมันไว้ไฟไฟมาใกล้ก็พึบใส่เลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ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 แต่ความอยากแกละขาดได้ก็เพราะพระปัญญาพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึง่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึง่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึง่งปรเสริฐนิธรรมสีพิจารณาแล้วอเสพของอย่างหนึ่งคือ ย, ยังไง ก็คือพิจารณาในศีลในสมาธิในปัญญาก็กคือพิจารณาใ น, า น, พ, นาพ้ฐานผลศีลพผลภาวนาพิจารณาและอดกั้นของอย่างนอดกั้นในราคาด้วยอสุภกรรมฐานอดกั้นในโทสะด้วยเมตตากรรมฐานอดกั้นในโมหะด้วยพิจารณาอนิจจังทุกครั้งอนัตตา เสพก็เหมือนกันเว้นก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะให้กำเริบราคะสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุธทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนั่นเป็นอปารมงคล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 ลุงใ น, นชั้นชั่นหยาบหยาลุงในชั้นละเอียดลุงว่าสกลแกายเป็นของสวยงามลุงว่าสกลนากายเป็นของเที่ยงเป็นสุขลุงว่าสกลนละกายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยแท้ จนแกะไม่ได้วางไม่ออกอริยธรรมเม่ใตัวนรกอริยธรรมก็อยู่ที่นอนและชนอยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไฟไหม้เมืองไหนก็ต้องเอาหน้าเมืองนั้นดับชั้นใดก็ดี มันไม้มุ้ยมอนอยู่ที่ จ, จิตใจก็ต้องเอาน้มที่เมืองคิดเมืองใจดับพยาะาหาที่อื่นมันก็ไม่ทำโรคโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับมันก็ดับลงที่ใจ ศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดให้มีก็ทำเกิดให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจเมือะนะม่อชนะก็ชนะอยู่ที่ใจเมื่อแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอยู่แห่งเดียวกัน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 เหตุฉะนั้นพระอริยเจ้ า, า tongue, ท่านจึงไม่ยึดถือในใจของท่านใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุตคุลตัว ต, วตนเราเขาเป็นเพียงจิตตามพัสนาฉะนั้นกายก็เป็นสักว่ากายพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ควรสักว่ากายไม่ใช่สัตว์มุตคุลตัว ต, ว ต, วตนเราเขาเป็นแต่เพียงว่าสักกายานุปัสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และวมัสุขไม่ทุกข์หืออุบเบกขา เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้กสักว่าเวทนาไม่ใช่สัพพุทธคนตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุืปัสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแพ้่เป็ น, นอารมณ์ว่าใจนี้กสักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาหรปัสนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า รมนี้ก็สักว่าทมไม่ใช่ปุธขดตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นโดยใจความความพิจารณากายจนลงถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาลุนจงจนถึงอนัตตาพิจารณาจิตลงจนถึงอนัตตาไม่ติดอยู่ในจิตพิจารณาธรรมที่เป็นคู่ประจิตลงถึงอนัตตา กายก็ดีก็เป็นกายตามเดิมเวทนาก็จัดเป็นนามตามเดิมกายก็จัดเป็นรูปขันเวทนาก็จัดเป็นนามขันสัญญาทั้งขันวิญญาณจัดเป็นนามขันขันห้าย่นลงมาเป็นสองรูปขันหนึ่งนามขันหนึ่งโลกย่นลงมาเป็นสองรูปประโลก อารูุปรโลกก็คือรูกขันนามขันนั่นเองยน่นธาตุลงมาเป็นสองรูปประธาต์อารูประธาต์รูปประาธาต์ปปาปปาก็คือรูกขันนามขันนั่นเองลูก ป, ประโลกนั่นเองลูกขันนั่นเองนามขันนา ม, มาโลกนา ม, มาลูกก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลฝิดขึ้นแนวก็เสียสลายไม่ใช่ภาษาบุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่าลูก เป็นแตเสียงเพียงตะาน้ำสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคั น, น, นท้าสนานอนัตตาธรรมท่านั้นจะมาลบล้างได้พก็เป็นกิเลนละเอียดเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกขังชัดเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นเนื้อชัดก็เห็นกระดูกชัดเหมือนกัน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 ข่าวสมัยพระเอกเขาใช้หนังแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเราไม่ทราบวกเขาออกมาเป็นรูปโตรูปเล็กก็าตามก็เป็นพระเอกอันเก่าชั้นในก็ดีจะเกิดขึ้นเล็กขึ้นน้อยกว่าตามโตกว่าตามใหญ่กว่าตามก็เกิดขึ้นแล้วกว็แตกสลายอันเดียวกัน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 ก็ละอายจะหวังพึ่งกับอนิจจังละอายจะหวังเป็นสุขกับอนิจจังทุกครั้งอนาจาัจจะจะสุขมาแต่ไหนยละอายจะหวังพึ่งชาติพึ่งพบเพราะชาติมีแต่ทุกจะไปพึ่งที่ไหน พบมแต่ทุกจะไปพึ่งที่ไหนถูกขาแล้วไม่มีสารอุทธรสาติปีทุกขาชร า, าปีทุกขาปีแปลว่าแม่เป็นทุกมากถึงเรียกว่าแม่ใส่แม่โทด้วยไม่ใช่พ่อแม่ใสม่มาอีกสำหรับปีแปลว่าแม่เป็นทุกไม่ใช่ทุกพอดีโงงามมีแม่ออกหน้าด้วย เมื่ันานำปีทุกครั้งปิดก็ปแปลว่าแม่เมื่อเห็นทุกชัดก็เอื่มละอาที่จะไปหลงทุกข์อีกทีนี้ก็เอือมละอาที่จะไปหลงทุกข์มาบรรยัตเป็นสุข